ทีนี้จนอย่างถึงแล้วก็เบื่อหน่ายเต็มที่เมื่อเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นก็ก็คลายกําหนัดตัววิปัสนาปัญญานะเป็นตัวเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอารมณ์นั้นและเบื่อหน่ายแม้กระทั่งไอจิตที่ไปรู้อารมณ์นั้นด้วยนะเมื่อเบื่อหน่ายอย่างนี้เข้าก็จะคลายกําหนัดทีนี้ว่าถามว่ามันคลายยังไงให้มันเบือ่อซะก่อนเพราะว่ามรรคจิตเกิดขึ้นไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะสุ่มละของอรามาเนี่ยถามจริงๆ บอกตรงๆก็คือหมดบุญที่จะคิดต่อไปอีกแล้วมันมีส่วนเดียวที่เป็นทางของเราก็คือทํายังไงเราจะเห็นโทษรู้เรื่องปัจจัยของรูปนามเห็นที่เป็นโลกิยะอริยสัจน่ะให้มันกว้างขวางมากขึ้นจนรู้ว่าการพิจารณารูปนามขันห้าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้รู้อริยสัจแน่นอนแหละเพราะตัวรูปนามขันห้านั่นแหละเป็นทุกขสัจชาติปิทุกขาชร า, าปิทุกขามารนามปิทุก ข, ขังโดยย่อก็แก่ อุปาทานขันห้านั่นแหละทำยังไงจะมองเห็นอุปาทานขันห้าเป็นเป็นกองทุกข์เมื่อไหร่นะกับพิบตาเออเนี่ยนะกองทุกข์ที่จริ ง, รงศึกษาพระธรรมนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมบางเรื่องก็อาศัยเหตุการณ์เกิดขึ้นพระองค์ก็ปรารบเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็แสดงธรรมก็จะได้แง่คิดต่างๆของเราก็เหมือนกันแล้วก็ฟังสูตรโน้นบ้างสูตรนี้บ้างก็ถือว่าตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปด้วยเหมือนกัน นั่นแหละเพราะว่าการที่เราตามเสด็จอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงไตรสารณคมใช่ไหมเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเพื่อเป็นผู้ชี้นําทางเอาพระธรรมเนี่ยคอยปัดป้องจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหันอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์ท่านก็ปัดให้เราไปด้วยพระธรรมที่จริงนะผู้ที่ ฟังพระไตรปิฎกหรืออ่านพระไตรปิฎกบ่อยๆความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลจะเกิดไม่มากน ะ, ะถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาคิดอย่างนี้ปิ๊บเนี่ยธรรมะจะมาแล้วพอสมมุติเราเอ๊ะคนนี้ไม่ดีพระธรรมมาแล้วผู้ที่คอยเพ่งโทษผู้อื่นอยู่จากไกลจากนีพ่านใช่ไหมปุ๊บ และอีกสูตรหนึ่งคนนั้นใช้ไม่ได้ผู้ที่ยังดูหมิน่นผู้อื่นอยู่จะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมพอคิดเรื่องอะไรปั๊บเดี๋ยวก็คําสอนข้็มาแล้วมันจิตของเราก็จะเป็นอกุศลไม่มากนะักอันพระพุทธเจ้าก็จะค่อยๆตล่อมความคิดเราเรื่อยๆและเราก็สามารถที่จะรักษาจิตของเราเป็นไปตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคได้อย่างงั้นจิตของเราก็เริ่มมีไตสรสาระคมมากขึ้น เรีว่าเริ่มมั่นคงในไตรสารณคมมากขึ้นทีนี้คำว่าสาระนี้แปลว่าที่พึ่งนะใช่ไหมแปลว่าที่พึ่งหรือแปลว่ากำจัดส่วนคมนะคำนะตัวนั้นนี่แปลว่าถึงถามว่าถึงเนี่ยถึงยังไงจิตตุบาที่เกิดขึ้นกำจัดกิเลสได้ด้วยความเลื่อมใสในพระธรรไตรายนั้นและความเป็นผู้หนักในพระธรรตรายนั้น ที่เป็นไปแล้วโดยอาการคือความเป็นผู้มีพระัตนตรายนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเชื่อว่าสารณคมเพราะจิตที่ถึงไตรสารณคมจริงๆนั้นจิตที่ถึงไตราสรตตราสรนคมมีกี่ดวงมีกี่ดวงเอาแปดวงเลยเนะาะยานวิทประยุท์ก็ศรัทธามืองกันนะถึงเหมือนกันแต่ก็ถึงแบบเด็กๆอ่ะนะแต่ถ้ายาณสัมประยุทธ์ก็ถึงแบบแบบคนมีปัญญาแบบผู้ใหญ่ถึง นั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตที่ถึงไตรสารณาคมนั้นต้องเป็นมหากุศลแปดดวงอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละบางคนก็มีศรัทธามากบางคนก็มีศรัทธาน้อยบางคนก็เป็นอัศังขาิกบางคนก็เป็นสัังขาิกตามสมควรนั้นๆไปเพราะว่ามหากุศลนั้นเป็นจิตที่นึกถึงพุทธคุณและก็ เอาพระพุทธคุณนั่นแหละเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามันคล้ายๆกับว่าเราจะเดินทางแล้วใช่ไหมจะเดินทางปับ๊บเอาแผนที่นี่แหละเป็นเป็นหลักจิตที่ตัดสินใจว่าเอาแผนที่นี้เป็นหลักนั่นแหละเหมือนกับเราต้องท่องเที่ยวไปในวะตะัตฏะโดยที่เอาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นั่นแหละเป็นสารณะแต่ในเบื้องต้นนี้ความชัดเจนต้องมีนะพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคืออะไร พระสงฆ์คืออะไรเนี่ยคำนี้ต้องต้องชัดเจนมากที่สุดนะถ้าเราสับสนในสามคำนี้สารณคมของเราก็สับสนไปด้วยถ้าเราเข้าใจชัดในสามคำนี้สารณคมของเราก็ชัดเจนด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยทีนี้คําว่าพูดถึงไตรสารณคมก็คือสัตว์ผู้พร้อมเพียงด้วยพระรัตนไตรยนั้นแหละชื่อว่าถึงสารณะก็คือพร้อมเพียงด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อธิบายว่า เข้าถึงด้วยจิตตุบาทมีประการดังกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าสาระทั้งสามนี้รัตนะทั้งสามนี้เป็นสาระของเรารัตนะทั้งสามเหล่านี้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเรานั้นสภาพจิตในลักษณะนี้แหละเป็นจิตที่มีไตรสารณคมจิตที่ถึงไตรสารณคมผู้ที่มีจิตแบบนั้นแหละเป็นผู้ที่ถึงไตรสารณคมจริงๆทีนี้ สมัยก่อนการถึงไตรสรณะคมก็จะแตกต่างจากยุคสมัยนี้มากยุคสมัยก่อนนั้นเป็นยุคที่เขาเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีาศาสนาหรือเขาอาจจะนับถือลทัทธิของเขาอยู่เขาก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพอฟังธรรมปับ๊บทำให้เขามีศรัทธาและก็ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งหลังจากที่เขาได้ฟังธรรมแล้ว ส่วนเรานี้บุญมากเกิดมาปั๊บแต่อ่อนแต่ออกเกิดมาเนี่ยสั ม, มโนโครัวเป็นผู้ตัดตะนิกชนเลยอ๋มีบุญมากแต่ว่าคือวิบากดีนะโสตะวิญญาณได้ยินว่าเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เล็กๆแต่ว่ามโนวิญญาณไม่ค่อยมีที่จะมีพุทธคุณเป็นอารมณ์เพราะความเข้าใจในพระพุทธคุณน้อยมากทีนี้ในการเรียนเรื่องไตรสารณาคมนั้นเราควรเอาตัวอย่างในสมัยก่อนมาฟังด้วยว่า สมัยก่อนลักษณะที่เขาถึงไตรสารณคมนี้เขามีเหตุจูงใจอะไรอาจจะขอยกตัวอย่างในปริภาชกะวัตมาคันธิยะสูตรมัชมินิกายมาชัชมะปันนาสมาคันธิยะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับบนเครื่องลาดอันลาดด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารทวาชโคดนะเขาก็แสดงว่าคนละศาสนากันละแต่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นนักบวชคล้ายๆกันเฝนไปพึ่งอาศัยเขาพักได้เหมือนกันใกล้นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากรมมาสะธรรมะในกุรุรัตน์รัฐนี้ดังมากเป็นรัฐที่พระพุทธเจ้าแสดงสูตรเด็ดๆหลายสูตรมากสูตรที่ลึกซึง้งส่วนใหญ่แสดงที่แคว้นนี้นั่นแหละครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอยังกรมมาสธรรมะนิคม ครั้นเสด็จไปที่ยวบีนทบาทในกรรมมาสามะธรรมนิคมแล้วภายหลังพัดกลับจากบินทบาทเสร็จเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักกลางวันครั้นเสด็จเข้าไปยังไพรสนนั้นแล้วประทับนั่งพักกลางวันณที่โคนไม้แห่งหนึ่งไปนั่งทําอะไรถ้าพระพุทธเจ้าไปนั่งมีโคนต้นไม้นั่งทําอะไรพระองค์ก็นั่งเข้าพระสมาบัตินะเข้าพระสมาบัติ ด, ด้วยอรหัตผลลจิต อรหัตตะผลลจิตดวงที่สี่จตุทะชานนะอรหัตตะผออลละจิตที่เป็นปัญจมะชานโดยปัญจกนในหรือจตุทะชานโดยเจตุ ก, กันในเข้าพระสมาบัติกำหนดก่อนว่าจะเข้าสักกี่ชั่วโมงจะออกมาเวลาเท่าไหร่ด้วยอำนาจสัพพัญยุตยานี่ก็เล็งหมด ว่าสมควรจะเข้าเท่าไหร่นานแค่ไหนแล้วไปคิดเรื่องอะไรต่อสัพพัญญุตญาณ น, นี่วินิจฉัยหมดเลยเสร็จแล้วก็เจริญ ญ, ญาณ น, นั้นๆอนุวัตตามสัพพัญญุตญาณที่จริงสัพพัญญุตญาณก็คือมหากิริยาญาณสัมปยุตนั่นเองแต่เป็นญาณที่พิเศษญาณอันนี้เนี่ยต้องใช้เวลาอ บ, บรมปกตูปานิสยปัจจัยนั้นต้องเสียสงไขแสนกับว่าจะได้ญาณอันนี้ขึ้นมาเั้น ครั้งนั้นมาคันธยะปริภาชกเดินเที่ยวไปมาเพื่อแก้มเมื่อยก็เลยเข้าไปถึงโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภาระทวชโคตรที่จริงสองคนนี้เขาเป็นลุงเป็นหลานกันก็เป็นญาติญาติกันนั่นแหละพระพุทธเจ้านี่เล็งเห็นอุปนิสัยของทั้งสองคนนี้ว่าอนาคตจะได้เป็นพระอารหรันต์ะนะส่วนมาคันธยะนี่จะได้เป็นพระอารหันต์พระองค์ก็เลยละจากพระคันโตคุติห้อมอย่างดีเนี่ยไปอยู่ที่โรงบูชาไฟซึ่งรกรุงรังอะ่ะ ยอมสละความสุขอันนั้นน่ะนะเอาแบบสุขะกายะวิญญาณแบบเราๆ เ, เนี่ยออกไปแล้วไปนั่งอยู่ที่โรงบูชาไฟทึ่งรกรุงรังเนี้ก็ไปหาพื้นทําที่นั่งนั่นแหะพารัตวะชะมคันธยาปริภาชกเนี่ยพอได้เห็นเครื่องลาดอันทําด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมพารัตวะชะโคตก็ได้กล่าวกับพราหมณ์ภารัตวะชะโคตว่าดูก่อนสหาย เครื่องลาดหญ้าที่ปูไว้ในโรงบูชาไฟของท่านภาระทวาชะนี้เป็นของใครหนอเห็นจะเป็นที่นอนสมควรแก่สมณะแม่ดูลักษณะแล้วเหมือนกับพวกสมณะสมณะก็คือเขารู้นะว่าเป็นสมณะเป็นยังไงปริพาชกเป็นยังไงหรือว่าพวกเดรัทธีเป็นยังไงเขาสามารถแบ่งกลุ่มกันได้มีนิมิตมีเครื่องหมายบอกบอกยี่ห้ออยู่เหมือนกันถ้าสมณะก็คือพวกอย่างส่วนใหญ่นะก็คือพวกที่โกนผม เขาเรียกว่าส ม, มาณะท่านพารัตวาชาก็กล่าวว่ามีอยู่มาคันธิยะพระส ม, มณะโคดมสก ريا บุตรออกบวชจากสาก ر ي สกุลมีเมือนการที่มาพักตรงนี้แหละกิติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมนั้นขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนั้นแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอารหัน์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้ แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเป็นที่นอนนี้ปูวไว้สําหรับท่านพระสมณะโคดมนั้นใช่แล้วที่นอนของสมณะงั้นมาคันธิยะปริภาชกก็กล่าวว่าท่านภารัตวะชะพวกเราที่ได้เห็นที่นอนของท่านพระสมณะโคดม ผู้กำจัดความเจริญชื่อว่าได้เห็นชัว่วท่านพาระธวาชชาก็กล่าวว่าดูก่อนมาคันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ดูก่อนท่านมาคันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ความจริงกษัตริย์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีเครหะบดีที่เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะที่เป็นบัณฑิตเป็นอันมากก็ดีพากันเลื่อมใส ย, ยิ่งนักต่อท่านพระสมณะโคดมนั้น ท่านทักโคดมทรงแนะนำธรรมะมีเหตุอันบริสุทธิ์ไม่มีโทษพูดให้ดีนะท่านนั่งคนดังเลยนะพระพุทธเจ้านี่เป็นคนดังนะก็คืออริเยยาเยธรรมเมกุสเลที่จริงพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนที่แนะนำในกุศลธรรมที่ไม่มีโทษกุษสเลธรรมเมก็คือในกุศลธรรมอริเยก็คือประเสริฐแบบนั้นเด้ แล้วก็เป็นยยธรรมเป็นธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดมาคันธยะก็กล่าวว่าท่านพาระทาวัชะถ้าแม้พวกเราได้พบท่านพระสมณะโคดมนั้นต่อหน้าเราก็จะพึงกล่าวกับท่านพระสมณะโคดมต่อหน้าว่าพระสมณะโคดมผู้กําจัดความเจริญดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าคําเช่นนี้ลงในสูตรของเราทั้งหลายก็คือสูตรของเราว่าอย่างนี้เนี่ยคำของสมณะโคดมเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่กำจัดความเจริญท่านภารัวาชะก็กล่าวว่าถ้าการที่กล่าวนั้นไม่เป็นการหนักแต่ท่านมาคันธิยะข้าพเจ้าจักทูลกะสมณะโคดมพระองค์นั้นเออถ้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังดูมาคันธิยะก็บอกท่านพาระทวาชะจงมีความขวนขวายน้อยเถิด เราได้กล่าวไว้แล้วก็จะพึงกล่าวกับพระ อ, องค์เทอถอิดไม่เป็นไรเอาพูดจะอยากพูดกับท่านก็พูดเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ฟังคําสนทนานี้ของพราหมณ์ภารัตวาชัโคดกับมาคันธยปริภาชักปริภาชกด้วยทิพโสตะธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตะของมนุษย์พระผูเ้เจ้านี้ได้ยินเรียบร้อยแล้วล่ะคั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นที่เร้นของพระ อ, องค์ก็คือ พระสมบัตินั่นแหละเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารัตวาชโคดประทับนั่งบนเครื่องลาดย่าที่เขาลาดเอาไว้ลำดับนั้นพราหมณ์ารัตวาชโคดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัส ก, กับเขาว่า ดูก่อนภาระทวาชท่านมาไอ้ท่านกลับมาคันธยปริภาชกปรารบถึงเครื่องลาดญ้านี้ได้เจรจาโต้อตอบกันอย่างไรบ้างะมาถึงพระพุทธเจ้าก็ทักเลยนะเป็นไงคุยกันถึงไหนแล้ว <c oughs> เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภาระทวาชะโคตรก็ตกใจเกิดโลมาชาตชูชันเนะสะดุ้งเลยนะเอ๊เราคุยกันสองคนรู้ได้ยังไงเนี่ย ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระเจ้าปรารถนาจะกราบทูลเรื่องนี้แก่ท่านพระโคโดมแต่ท่านพระโคโดมตรัสเสียก่อนที่ข้าพระเจ้ายังไม่ทันกราบทูลก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพราหมณ์ภารทวัชะโคตเจรจากันยังค้างอยู่ในระหว่างนี้ลำดับนั้นมาคันธยาปริภาชกกําลังเดินเที่ยวไปมาแก้เมื่ออยู่ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังโรงบูชาไฟ ของพราหมณ์ารทวาชาโคตแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วก็นั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับมาคันธยปริพาชกผู้นั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนมาคันธยะในตามีรูปเป็นที่มายินดีเนแสดงเรื่องตากับสี ว่าตาเนี่ยยินดีในในรูปนะหูนี่มีเสียงเป็นที่มายินดีจมูกมีกลิ่นเป็นที่มายินดีลิ้นมีรสเป็นที่มายินดีกายมีโพธิภะเป็นที่มายินดีใจมีธรรมรมณ์เป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมะคือธรรมรมณ์ันนั้นอันธรรมรมณ์ให้บันเทิงแล้วใจนั่นตถาคตทรมานแล้ว พอองค์นี้ได้ฝึกจิตอันนั้นแล้วจิตที่ไปยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะธรมรมารมณ์จิตอันนั้นพระพุทธเจ้าฝึกเรียบร้อยแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสํารวมแล้วอันนึงตทาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อความสํารวมใจมั่นดูก่อนมาคันธิยะคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนั้น ท่านหมายเอาความข้อนี้ล้สิเนออ่านนะไอที่บอกสมณะโคโดมกำจัดความเจริญเนี่ยอันตรงนี้ใช่ไหมมาคันธิยะบอกท่านพระโคโดมก็คำที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนี่ข้าพเจ้าหมายเอาข้อนี้แหละข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำเช่นนี้ลงกันในสูตรของข้าพเจ้านีฟังสูตรของเขาเขาขมีสูตรว่ายังไง เขาบอกว่าเขานี่มีสูตรคือมีลับที่ว่าคือทําความเจริญปรากฏในทวารหกงนันเขาต้องทําให้เจริญใช่ไหมในทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เป็นลับที่ของเขาก็คือควรให้จักสุงอกงามเจริญควรเห็นรูปที่ไม่เคยเห็นรูปที่เห็นแล้วควรผ่านไปเนี่ยเขาลับที่ของเขานะี่ยเขาแสดงแบบนี้ ควรให้โสตะงอกงามเจริญควรฟังเสียงที่ไม่เคยฟังเสียงที่ฟังแล้วควรผ่านไปหารับรู้ใหม่ๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรียกว่าความเจริญของเขาควรให้อคานะเจริญงอกงามควรดมกลิ่นที่ไม่เคยดมกลิ่นที่ดมแล้วก็ควรผ่านไปควรให้ชิวหางอกงามเจริญควรลิมรสที่ไม่เคยลิ้มรสที่ลิ้มแล้วควรผ่านไปควรให้กายงอกงามเจริญควรสัมผัสโพธะะที่ยังไม่เคยสัมผัส พอทพะที่สัมผัสแล้วควรผ่านไปควรให้มณนะคือใจนี่งอกงามเจริญควรรู้ธรรมะที่ยังไม่เคยรู้ไอ้ธรรมะในที่นี้ไม่ได้ธรรมะคือกุศลอกุศลอะไรนะก็คือธรรมารมเรื่องราวทั่วไปอะธรรมะที่รู้แล้วก็ควรผ่านไปมาคันธิยะบัญญัติความเจริญในทวารหกไว้ด้วยประการชนนี้อันหาความเจริญจากสัมผัสทั้งหกนั่นเอง แต่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติความสำรวมเอาไว้ในทวารทั้ง6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่กำจัดความเจริญใช่ไหมก็ที่จริงมันน่าจะไปเห็นไปเรื่อยแต่นี้ให้มาสังวรสำรวม อ, อย่างนี้ไม่ไหวกำจัดความเจริญอย่างนั้นที่จริงพระพุทธเจ้าแสดงว่าความสำรวมจากสุโศตะคาณนะชิวหากายวาจาใจเป็นความดีนะสำรวมทวารหนึ่งนะเอาใหม่นะ ส, สังวรก็คือสังวรห้าใน ตาหูจมูกลิ้นกายกายนี้มี2 อ, อย่างภาษาทะากายกับโจปรนกายอ่าภาษาธะากายก็ได้แก่กายะาากายะภาษาทะที่กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวโจปรนกายก็คือกายกายกรรมที่ที่แสดงออกมาทางกายกรรมอ่ะนะทำอะไรบ้างเขียนหนังสือก็เป็นกายกรรมอ่ะนะแล้วก็สํารวมวาจา สัมรวมใจการสังวรเหล่านี้เป็นความดีความสัมรวมในทวารทั้งปวงเป็นความดีภิกษุสัมรวมในทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลทัทธิสองลทัทธิเนี่ยถือว่าคนละอย่างกันมันก็ถือว่าลงกันในสูตรใช่ไหาพระพุทธเจ้านี้เป็นคนกำจัดความเจริญอันนั้นผมก็ตรัสว่าดูก่อนมาคันธยะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนาบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่เคยได้รับบาเรอด้วยรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็คือผู้ที่เคยรับบารุงบาเรอด้วยรูปที่ที่หน้าไฟหน้าต้องการหน้าปรารถนาอย่างนี้สมัยต่อมา เขารู้ความเกิดความดับอัาทะอาทีนวะและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตันหาในรูปบรรเทาความเร่าร้อนอันเกิดขึ้นเพราะปรารบรูปเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีใจสงบในภายในอยู่ดูก่อนมาคันธยะก็ท่านจะพึงว่ากล่าวอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคดม ข้าพาเจ้าไม่พึ่งว่าอะไรหรอก <subscribing> นคะือตรงนี้พระองค์ก <van> ็บ<ข>อกว่าผู้ที่เคยเคยแล้วละ่ะในเรื่องของรูปทั้งหมดและต่อมาเขารู้ทั้งสูตรสูตรเทศนาของพระพุ Bree ทธเจ้าก็คืออสสาศาทาไออสสาศะทาทีนวตานิสระนมปิจะพลังอุปายโยจะก็คือพระองค์รู้จักอาศะความเกิดก่อนความเกิดของรูป ความดับของรูปอัาธะของรูปแล้วก็อาทีนวะของรูปสุดท้ายนิสรณะของรูปรูปเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยเอา้าย้อนสูตรเมื่อกี้ก่อนโน้นว่ารูปเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่เกิดด้วยเกตเหตุห้าประการใช่ไหมถ้าเสื่อมเสื่อมด้วยเหตุเท่าไหร่ก็ห้าประการเกิดเพราะอาวิชาตันหา อุปาทานกรรมแล้วก็อาหารรูปจึงเกิดถ้าไม่มี5้าอย่างนั้นอ่ะรูปจะเกิดไหมไม่เกิดแล้วอาศะทของรูปอ่ะคืออะไรเคือเรียกว่าเหมือนกับคุณของรูปมันคืออะไรก็คือสุขโสมนัตที่อาศัยรูปนั้นอ่ะเกิดขึ้นนั่นแหละเชื่อว่าอสาศะของรูปคืออาศัยไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นทําให้เกิดความความสุขทําให้เกิด ความดีใจทำให้เกิดความปราบปลื้มใจสบายใจนี่เรียกว่าอสาทะของรูปแล้วโทษของรูปอะอาธีนวะเป็นยังไงโทษของเขารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่จะตามเห็นว่าเป็นของเรานั่นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรเนาะและอย่างหนึ่งถ้าในมหาทุกขคันทสูตรนะ พระองค์กล่าวถึงว่าคุณของรูปมีตอนไหนตอนที่อายุประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะช่วงนั้นแหละจะมีอาสาธะของรูปแล้ว โ, โหหน้าปาบปื้มใจเห็นแล้วก็เหลียวหลังเลยนั่นแหละแล้วโทษของเขาอะ่ะก็เพิ่งเห็นคนนั้นแหละตอนอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบเป็นหญิงชารานั่นแหละ จนถึงตายขึ้นอื่นเป็นซากศพเหลือแต่ที่เท่าะนะแต่ในพวกนี้เรียกว่าเป็นอาทีนวะของรูปถ้านิสรณะของรูปเป็นยังไงการละฉันทะในรูปตามความเป็นจริงก็คือเห็นรูปพร้อมทั้งปัจจัยจนละได้ด้วยอริยมรรคพร้อมกับนิพพานอย่างนี้เขาเรียกว่านิสรณะของรูปนิสระคืออริยมรรคกับนิพพานจึงจะชื่อว่าเป็นการ ถายถอนรูปแต่ถ้าหากว่าคนที่ปฏิบัติได้ตามนี้แล้วเนี่ยท่านจะว่าอะไรแก่เขาอ่ะก็ถามตาปริภาชคเมื่อกี้ใช่ไหมท่านพระโคโดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรหรอกท่านมาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่เคยได้รับบำเรอด้วยเสียงทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูด้วยกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูก ด้วยรถทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นด้วยโพธาพะทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดสมัยต่อมาเข้ารู้ความเกิดความดับอสาทธะาอทีนวะและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเสียงกลิน่นรถโรถพธพภะทั้งหลายตามความเป็นจริง แล้วละตันหาในโพธพภะบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะโพธพภะเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีใจสงบในภายในอยู่ดูก่อนมาคันธยะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่าจะว่ายังไงหรือเปล่าถ้าเขาทำได้อย่างเนี้ยท่านพระโคโดมขาปเจ้าไม่พึงว่าอะไรดูก่อนมาคันธยะเมื่อก่อนเราเป็นเครือข่ผู้คลองเรื อ, น, อนนะ พโมคันธิยะเขามีลัทธิว่าโหต้องเห็นสีที่ดีๆเสียงที่เพราะๆอะไรเนี่ยก็สแสวงหาอารมณ์ทั้งหกที่น่าปรารถนาที่น่าเจริญใจอะ่ะหาแต่แบบนี้พระองค์ก็เล่าว่าชีวิตของพระองค์ในสมัยที่เป็นครวาดครองเรือนก็เป็นผู้อิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยการมาคุณห้าบำเรออยู่ด้วยรูปอันที่จะพึงรู้แจ้งด้วยในตา ที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูด้วยกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกด้วยรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นด้วยโพธพภะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใคร่น่ารักชอบใจประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนังดูก่อนมาคันธยะปราศาสตร์ของเรานั้ น, น, นมีถึงสามแห่ง คือปราสาทตหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทตหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทตหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเรานั้นได้รับบำเรอด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทที่อยู่ในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ได้ลงมาภายได้ปราสาทตร์นะผก็เล่าถึงประวัติของพระ อ, องค์ที่สมัยเป็นคารวาสว่าถ้าจะไอเจริญแบบนั้นเราก็เจริญมาแล้ว ผมก็เล่าต่อไปว่าเพื่อจะทรงแสดงไม่มีคำไรๆที่ท่านควรจะกล่าวแก่พระคีณาศพผู้กำหนดขันห้าบรรลุเป็นพ้าอรหันเราก็กำหนดขันห้าแล้วบรรลุพระสัพพัญญุตญาณทีนี้อธิบายถึงปราศาทตของพระพุทธเจ้าในสามฤดูบ้างว่าในสมัยที่เป็นคารวะนะนะความสุขที่มีอยู่ในฤดูฝนนี่คือปราศาสตร์ในฤดูฝน แม่บทนอกนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เป็นปราสาทที่ไม่มีบุรุษเจือปนเลยแม้แต่คนรับใช้เนี่ยยามเฝ้าประตูก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดทีนี้พอพระ อ, องค์เนี่ยได้เคยได้รับความสุขเหล่านั้นแล้วพระ อ, องค์ก็กล่าวว่าสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับอัศธาอาทีนวะและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกของกามทั้งหลายตามความเป็นจริงนะ อาสาทะของกามก็คืออาศัยสุขโสมนัตที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโพธะนี้เรียกว่าอาสาธะของกามถ้าอาธีนวะก็คือโทษโทษก็เหมือนกับที่ก่อนวันวัวนอาสาลหะที่เอามากล่าวครั้งก่อนโน้นที่กล่าวถึงว่านับตั้งแต่การธรมาหาเลี้ยงชีพนั่นแหละหาเลี้ยงชีพและไม่ประสบความสาเร็จไปจนถึงตกนรกเป็นต้นนั่นแหละคือโทษของกาม ทีนี้อุบายเครื่องสลัดออกก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วละตันหาในกามบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดถูกกามตตันหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามเผาอยู่เสพกามอยู่ เรานั้นย่อมไม่ทะเยอทายานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมอยู่จึงไม่ทะเยอทยานต่อธรรมะอันเลวไม่ยินดีในธรรมะอันเลวนั้นถามว่าพระพุทธเจ้า น, านี่มีที่ยินดียิ่งกว่านั้นอนีกนะถามว่าสิ่งที่พระองค์ยินดีคืออะไรพระองค์มีที่ยินดีอยู่นะก็คือยินดีใน อรหัตผลและจิตที่มีนิพพานในอารมณ์เป็นอารมณ์หรือยินดีในเจตุทชาณ์ที่เป็นอรหัตผลที่เข้าพร ะ, ะสมาบัติพระองค์ยินดีในอย่างนั้นมากกว่าก็คือได้รับความสุขที่ที่ความสุขที่เราคิดไม่ถึงว่าจะเป็นยังไงคิดดูนะถ้าหากว่าจะสแสวงหาเอากรรมมาเปรียบเทียบพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สุดยอดแล้วที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นกรรมมาคุณห้า